สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาล น, นะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎทองคากฎที่6ครับเป็นกฎแห่งการรับใช้พระเจ้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้พูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตที่เป็นแบบอย่างสำคัญกว่าอำนาจที่เรามีเพราะฉะนั้นก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งปตัโยบทที่5ข้อที่3นะครับ ไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ใต้อำนาจแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นพี่น้องทีรักครับเราเห็นว่าอำนาจของโลกนี้ได้มาจากตำแหน่งหน้าที่แต่อำนาจฝ่ายวิญญาณหรือออเอร์ตี้สิทธิอำนาจฝ่ายวิญ ญ, ญาณนั้นได้มาจากการเป็นแบบอย่างครับชาวจีนบอกว่าใช้คุณธรรมชนะใจคนถ้าใช้อำนาจชนะใจคนนั้นผลก็คือชนะได้แค่ภายนอก เวลาที่เรามีอำนาจเวลาที่เรามีตำแหน่งแต่การใช้คุณธรรมชนะใจคนก็คือเป็นการชนะที่คนที่เรานั่งอยู่ในหัวใจของเขาเราไปนั่งอยู่ในหัวใจของเขาเขาจะยินดียินยอมทั้งปากและก็ทั้งใจเป็นการยอมสมามิพักด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจนั่นคือสิ่งที่เรามี ต่อองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระเยซูนั้นเป็นแบบอย่างให้กับเราโปรงไม่เคยใช้อำนาจที่จะบีบบังคับเราแต่โปรงชักจูงโปรงเชิญชวนโปรงใช้ความเมตตาของพระเจ้าของพระองค์เองนั้นมาอยู่ในชีวิตของเราเพื่อที่จะให้เราเกิดความยินดีเกิดความเต็มใจและสามารถที่รับใช้พระเจ้าได้ด้วยความสนิทสนมด้วยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ในโลกนี้มี3วิธีครับที่ทำให้คนยอมรับกันก็คือ 1. ใช้กำลัง 2. ใช้เหตุผล 3. ใช้คุณธรรมผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้เหตุใช้ผลและใช้คุณธรรมในการปกครองในการเลี้ยงดูในการต้อนฝูงแกะของพระเจ้าให้เปอยู่ในทางของพระองค์พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะอยู่ในประเด็นที่9ครับความรักสำคัญกว่าของประธาน ความรักสําคัญกว่าของประธานในพระธรรม1โครินโบทที่12และบทที่ส4นั้นท่านอาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงของประธานด้านจิตวิญญาณในระหว่างบทความทั้ง2นี้ท่านได้สอดแทรกคําสอนที่ดีเลิศที่สุดนั่นคือบทที่13ครับเป็นเรื่องของความรัก1โครินโบทที่13นั้นได้พูดเกี่ยวกับความรักโดยที่ท่านอาจารย์เปาโลได้ให้ความหมายวาความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่กว่าของประธานมากครับยิ่งใหญ่ กว่าความสามารถของคนท่านเปรียบเทียบการทําดีและความสามารถคือของประธานแต่เมื่อเทียบกับความรักแล้วความรักใหญ่ที่สุดท่านสรุปว่าความรักยิ่งใหญ่และมีค่ามากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิน้นไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามหากไม่มีความรักก็ไม่มีค่าอะไรก็มีค่าเท่ากับ0ครับพี่น้องครับท่านอาจารย์ปาโลเปรียบเทียบ7ประการที่คนทั้งหลายให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นการพูดภาษา แ, แปลก เป็นภาษามนุษย์ภาษาทุตสวรรค์หรือการเผยโภชนะหรือความเข้าใจในความล้าลึกทั้งปวงหรือมีความรู้ทั้งสิ้นหรือมีความเชื่อมากพอที่จะยกภูเขาไว้ได้การกระทําศาสนากิจหรือพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาแม้กระทั่งความหวังข้อสรุปของท่านก็คือในบรรดาการกระทําเหล่านี้หากปราศจากความรักแล้วก็ล้วนกลายเป็นศูนย์ล้วนกลายเป็นศูนย์ทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้จะผ่านไป และจะเสื่อมศูนย์ไปมีแต่ความรักเท่านั้นไม่มีวันศูนย์สิ้นและคุณค่าของความรักนั้นอยู่ยืนยาวจนถึงนิจนิรันดร์พี่น้องครับเราเห็นคุณค่าของความรักนะครับความรักนี้ใหญ่ที่สุดสําคัญกว่าของประธานทั้งหลายทั้งปวงจากตรงนี้นี่เองทําให้เราเห็นถึงคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ของคริสเตียนครับมี3ประการก็คือความเชื่อความหวังและความรักใน3ข้อนี้ความรักใหญ่ที่สุดเพราะว่าความรัก เป็นเหมือนกับอยู่เนื้อสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างความเชื่อนาไปสู่การมองเห็นครับความหวังทำให้สิ่งที่เชื่อนั้นเป็นจริงแต่ความรักนั้นยั่งยืนอยู่ตลอดนี่ันังการนี่คือความสาคัญของความรักครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในประเด็นที่เนี้ท่านอาจารย์ศา ส, สนาจารย์ฟิลิปเทงได้บอกกับเราให้ทราบผ่านทางภวชนะของพระเจ้าว่าความรักนั้น ยิ่งใหญ่หรือสําคัญกว่าของประธานครับอย่าไปเน้นของประธานมากกว่าความรักนะครับเราจะต้องเน้นความรักมากกว่าของประธานประการที่10ครับการเจิมสําคัญกว่าการเผยพระนะในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ 27-28 โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าการเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์ดำรงอยู่กับท่าน และไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนให้ท่านรู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงไม่ใช่เป็นความเท็จการเจิมนั้นสอนทั้งหลายแล้วอย่างไรท่านก็จงตั้งมั่นคงอยู่กับพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าได้ให้การเจิมมาถึงคนของพระองค์นั่นหมายความว่าพระเจ้าให้พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์แต่พระวิญญาณนั้น สอนพระวจนะสอนคนให้รู้และเข้าใจพระจนะท่านศาสตราจารย์ฟิลิปเทงนั้นได้กล่าวถึงการเผยพรจนะที่รับการเจิมนะครับมาจากสาเหตุ4ประการด้วยกันครับการเผยพระวจนะที่รับการเจิมสาเหตุหนึ่งคือเป็นภรจนะของพระเจ้าไม่ใช่คําสอนของมนุษย์เป็นการเผยเป็นการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าผ่านทางภรจนะของพระองค์ประการที่2ครับ พระวิญญาณทํางานการเจิมครับในพันธสัญญาเดิมเป็นการแสดงถึงการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่3ครับจิตวิญญาณและอนิสัยของผู้รับแชรพระเจ้าต้องได้รับการเจิมองค์ประกอบที่4ครับจิตสานึกรับผิดชอบของผู้ฟังต้องได้รับการดลใจและการส่งสว่างจากพระเจ้าพี่น้องครับ 4. ประการนี้ประกอบกัน ทำให้การเผยเพรจชนะที่เกิดจากการเจิมสมบูรณ์แบบพี่น้องครับเราต้องเข้าใจนะครับพระจชนะนั้นไม่ใช่คาสอนของมนุษย์แต่เป็นการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าผ่านทางผู้ทาสของพระองค์ผู้ที่เขียนพระเจนะของพระเจ้าโดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เจิมผู้เขียนพระเจนะของพระเจ้าเป็นการสำแดงถึง ความสําคัญที่ผู้เขียนนั้นจะต้องได้รับการดนใจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และประการต่อไปก็คือจิตวิญญาณอุปนิสัยของผู้เขียนผู้รับใช้พระเจ้าและการส่งสว่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่ผู้อ่านอ่านพระเจ้านะของพระเจ้าและเกิดความเข้าใจพี่น้องครับหากการเผยพระเจนะที่ไม่ได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่มีผลด้านจิตวิญญาณครับไม่มีประโยชน์เพราะว่า การเทศนาหรือการเผยพระจาครั้งนั้นเป็นเพียงเหมือนกล่าวคำปราศัยครับเหมือนทอล์กโชว์ดูหน้าฟังคนฟังอาจจะรู้สึกสนุกแต่ไม่เกิดผลทางด้านจิตวิญญาณครับมีผู้คนมากมายเกิดมาเป็นผู้ที่มีวาทะศิลป์มีริมฝีปากที่ดีเมื <ME> ่อถวายตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ง่ายมากที่จะใช้ฝีปากของตัวเองความสามารถของตัวเองแปลว่าในที่สุดก็ไม่ได้เสริมสร้างจิตวิญญาณของพี่น้องสมาชิก ค, ครับ ตรงนันข้ามครับมีคนไม่น้อยที่ไม่มีคารมคมคายแต่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าเขาเหล่านั้นจึงเป็นผู้ก่อร่างสร้างคริสอจักรได้ดีโมเสสเดิมทีนั้นเป็นผู้ที่มีฝีปากเก่งจริงๆครับมีชนทภาพในการพูดและในกิจการต่างๆแต่ตัวเขาเองนั้นถ่อมใจเขารู้ว่าความสามารถของเขานั้นไม่สามารถทําให้ฟาโรห์เปลี่ยนความคิดครับเปลี่ยนความตั้งใจ โมเสก็เลยทูลกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์ไม่ใช่เป็นคนช่างพูดพูดไม่ค่อยเก่งโมเสกตอรองกับพระเจ้าครับตั้งแต่นานมาแล้วตั้งแต่เวลาที่พระองค์ตัดกับผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์ก็พูดไม่ออกเป็นคนพูดไม่คล่องแคล่วพี่น้องครับสาเหตุก็คือว่าตัวท่านเองย้อนอยู่ในถิ่นทรกันดารมากกว่า40ปีและไม่ได้ใช้ภาษาอียิปต์มานานมากทีเดียวแต่พระเจ้าจะช่วย พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะสถิตยอยู่ที่ปากของเขาและโมเสก็จะทําหน้าที่ที่สําคัญนี้จนสําเร็จได้เมื่อชนชาติอิสราเอลทําสงครามกับพวกอามาเรกนะครับโมเสกมาถึงยอดเขาเรฟีดิมมือถือไม้เท้ายกชูไม้เท้าขึ้นหมายถึงแทนอํานาจของพระเจ้าการอธิษฐานและอํานาจของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันตลอดผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนจะต้องเรียนรู้เงื่อนไขหลักการนี้ ที่สำคัญมากๆข้อนี้พี่น้องครับการที่รับการเจิมแปลว่าเป็นการถูกแต่งตั้งจากพระเจ้าได้รับการมอบอำนาจจากพระเจ้าการที่คนหนึ่งคนใดได้รับการมอบอานาจจากพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นผู้ที่จะใช้พระวจะนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในวันนี้ก็คือ เราเองนั้นจะต้องของการเจิมจากพระวิญญาณบรยสุดครับเพื่อที่เมื่อเราอ่านพรจนะเราก็จะเข้าใจเพื่อที่เมื่อเราฟังพระจนะเราก็จะเข้าใจพอเราเชื่อว่าพรจานะนั้นได้รับการโดนใจจากพระเจ้ามีสิทธิีทอำนาจสูงสุดและเมื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจะเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาจะอยู่ในหน้าที่ใดๆก็ตามเราเองนั้นก็จะรู้ว่าพรจนะจะผ่านชีวิตของเรา และจะไปแตะต้องชีวิตของคนอื่นและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นจะให้การหนุนจิตชูใจจะให้เลี่ยวแรงกําลังจะให้ความมั่นใจจะให้ความเชื่อมั่นศรัทธาเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่รับการเจิมและผู้ที่ส่งผ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ที่เป็นผู้ส่งผ่านพระวจนะของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะอวยพรครับและผู้ที่สอนพระวจนะของพระเจ้ารับพระยะของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องครับ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่จะให้เรามีจิตใจที่จะสแสวงหาการเจิมจากพระวิญญาณเมื่อสุดเพื่อที่เราเองนั้นจะได้เข้าใจพระเจ้ามากขึ้นจะได้รู้เรื่องและรู้จักพระองค์จะได้มีสามัคคีธรรมกับพระองค์จะได้มีสิ่งที่เรียกว่าความตรหนักและประจักษ์ถึงการทรงพระชนอยู่และการสำแดงของพระองค์ตลอดไปอเมน